เทศเครื่องขี้ขโมยวันนี้เทศเครื่องขี้ขโมยคนเรามันมัก อันตาเค้กข้างหม้อก็แล้วนั่นของนิดหน่อยก็อร่อยอร่อยของไม่ดีไม่ดีก็ขายเป็นของดีขึ้นมันเป็นนิสัยอย่างนี้คนเราแต่ไหนแต่ไดมาที่อยู่ทั่ว คราวนี้มาทําความเพียรภาวนาเพื่อจะสํารวมใจมันก็คิดขโมย ติดลูกติดหลานติดการติดงานมันไม่อยากค่อยขโมยเรื่อยๆ ผ่านมาเป็นเรื่องเป็นราวเพราะมันเป็นคลิปการงานอะไรต่างๆขอ อันพบน้อยพบใหญ่ตายตายแล้วเกิดเกิดคือได้แก่จิตตัวนี้เองถึงเรื่องภวภาวะ ตายจากนี้เพิ่งเคยพบนนคือตายจากยึดอันนี้แล้วไปยึดอนันต์กายอยากยึดอันนั้นก็ไปยึดอนันต์ต่อๆไปเลย ร่างกายถือว่าตนว่าตัวอยู่เราล่ํา มันไม่มั่นคงไม่มั่นคงท่านไปยึดมั่นคงใน จิตขโมยของเขาตัวของเราน่ะก็คิดขโมยก็ตัวที่หน้านั่นแหละตัวอมัยบริสุทธิ์เกิดขึ้นมาในใจของเราเราไปหาจิต ต้องต้องตั้งสติป้อมต้องมีเครื่องอยู่ให้มั่นข่ม สติจิตตรงหน้าที่มันนึกพุทโธและอานาปานสตินั่น จิตมั่นถือมั่นในจริงนะความไม่พอ แน่วแน่ตรงนั้นเลยก็ดูได้ภายนอกตรงถ้าพอใจในสิ่งใดแล้วเลยก็ดูได้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 อาหารก็ปัดมั่นลงแน่ๆลง ต่างหน้า 12 โยธต่างหน้ามาฟังเทศ จิตไม่เป็นสมาธิมาแล้วสะดิติอื่นมีความที่ พวกเราปฏิบัติมานานแล้วจับประเด็นขึ้น จึงไม่เป็นภรรนาสมาธิให้จับมั่นคงเอา มันวิ่งว่อนยึดนั่นสวยนี้ เราได้ความทุกข์สักอย่างนึงเช่นๆนี่แหละเดินไปเดินมาตามร้านวัดตําบานี่แหละใจเป็นตําเอา ไม่ไปอื่นกระจิตนั้นมันมันอยู่ตรงมามันก็พอหมอเม็ดเข้า เดียวเท่านั้นน่ะหยุดเลยไม่ ธรรมะไม่ใช่ของมากมายอันเดียวธรรมอัน ถ้าหากพิจารณาลงไปพุทโธหรืออานาปานสติความ อันนี้โอ๋เดี๋ยวนึงแล้วนิ่งแนวเสีย 1 จิตอัน 1 คือ 1 คือจิตรวม 1 เรียว เรียกว่าจิตอันหนึ่งอันรวมเป็น เป็นอดีตอนาคตที่มันลงไม่ลงอันเดียวนั้นน่ะเป็น ไม่มีอดีตนะครับจะมามีนอกนี้ อันเนี้ยอาตมาพูดให้ๆเพื่อจะให้รู้ ทำเล็ดแล้วโดยใจอันนี้พูดถึงเรื่องใจแล้วโดยใจอันนี้ โดยทั่วมากเรียกใจนั่นโดยเฉพาะมีน้อยอาจารย์ทั้งหลายท่าน จิตเป็นของกลางไม่มีมีแต่ใจมันของกลางไม่ดีไม่ชั่วไม่คิดอยากเจี๊ยดเดี๋ยวนี้แหละเฉยๆแค่นี้แหละให้ลองคิดดูความเฉยๆเป็นใจถ้าหากอยากจะรู้จะทดลองรู้นี้ก็ได้แล้วกั้นใจสักพักนึงกั้น ไม่คิดไม่มีแต่ไม่ทราบว่ามี วิ่งไปตามอาการต่างๆ โดยมันเป็นเองของมันไม่ได้ตั้งใจจะ แต่หาไม่ทาไว้รู้สึกอะไรจะรู้สึกว่ามีอยู่บางครั้งบางคราวมัน แต่ว่ามันไปอีกแผนกนึงอีกไม่ ไม่ยินดีพอใจกับนั้นอีกแล้วอยากจะให้ขโมยแต่ก่อน <_ S 1> นิสัยมันจึงไม่ชอบเช่นนั้นเป็นมีความรู้สึกอยู่นั้นขโมยเหมือน คำที่ว่าไม่มีอะไรมันจะมีขึ้นมาคำว่า มันจะมีอะไรลองดูดิมันคิดนึกสงสัยว่าๆจังๆ มันเกิดขึ้นมาก็ตามสภาพของมันแล้วใครได้บอกให้มันเกิดมันเกิดขึ้นมามันเติบ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 ผ่านมามีสาระไปยึดเอา ความว่างๆเข้าไปดูมันจะเห็นความไม่เฉยความไม่ว่างๆคน คือคือมาแล้วเป็นขี้ จึงได้เชื่อว่าเป็นอุบาสกอุบาสิกาสมบูรณ์ ทำอะไรทั้งหมดต้องจุดศูนย์กลาง มันทรงสายไปมาไม่ใช่กลางมันไม่ถูก ตรงไหนที่เราไม่คิดไม่นึกตรง มันช่องเรือนชั้นลูกหลานพี่น้องอะไรทั้งหมดมันไม่ใช่ อย่าอย่าความโลภความโกรธความหลงอันนี้ถ้านั้นเป็นทรงเค้าเกียดความชังนั้นเป็นทรงความ <c oughs> ไม่ดีไม่ชวดตรงกลางๆเส้นของเราอยู่พื้นที่ แหมเนี่ยเราแกแล้วนั่นน่ะ